เทศกามวจรกุศลลจิตแปมหากุศลลจิตดวงที่หนึ่งสภาวะธรรงที่เป no ็นกุศลเป็นไนจิตท um ี่เป็นกามวจรซึ่งเป็นกุศลสหะรคตด้วยสมนัตสัมประยุทธ์ด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์และถึงมีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาสภาวธรรมที่เป็นกุศลเหล่านั้นกุศลลมูลเป็นชนยัยกุศลลมูลคืออโลภะอโทสะและอโมหะในกุศลลมูลนั้นอโลภะเป็นฉนยัยความไม่โลภ ก, กิริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภความไม่กาหนัด กิริยาที่ไม่กําหนัดภาวะที่ไม่กําหนัดความไม่เพ่งเล็งกุศลมูลคืออโลภะนี้เรียกว่าอโลภะอโทสะเป็นไนความไม่คิดประทุษร้ายกิริยาที่มไม่คิดประทุษร้ายภาวะที่ไม่คิดประทุษร้ายความไม่คิดพยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะนี้เรียกว่าอโทสะอโมหะเป็นไน ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐินี้เรียกว่าอโมหะสภาวะธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลลมูลในปัจจัยาการนั้นเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไฉไรความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมี เพราะส Eig, no religion, man, ama, maj, wai, story, so ังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไฉนละถึงนี้เรียกว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภาษาทะจึงมีเป็นไฉน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 เวนอธิโมกแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าเพราะอธิโมเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้มหากุสลจิต ด, ดวงที่สองถึงสี่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนจิตที่เป็นกลามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรตด้วยสมณัต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 เพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้ดยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจยาการเหล่านั้นกุสลมูลเป็นไนกะุสสลมูลคืออโลภะและอโทสะในกุศลมูลนั้นอโลภะเป็นไนะความไม่โลภ ก, กิริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภความไม่กำหนัดกิริยาที่ไม่กำหนัดภาวะที่ไม่กำหนัดความไม่เพ่งเล็ง กุศลลมูลคืออโลภะนี้เรียกว่าอโลภะอโทสะเป็นไนความไม่คิดประทุษร้ายจุริยญญาที่มีคิดประทุษร้ายภาวะที่มีคิดประทุษร้ายความไม่คิดพยาบาศความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะนี้เรียกว่าอโทสะสภาวะธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลลมูลเพราะกุศลลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไน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 บิริยสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ กุศลจิตดวงที่ห้าถึงหสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนจิตที่เป็นกลางวจรซึ่งเป็นกุศลสหระรคด้วยอุเบกขาสัมปยุทธ์ด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์สหะรคด้วยอุเบกขาสัมปยุทธ์ด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้น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 เพราะอาทิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้เนื้การเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นกุศลมูลเป็นไงนะกุศลลมูลคืออโลภะอโทสะและอโมหะสภาวะธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลลมูลเพราะกุศลลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไนะ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 กิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้มหากุศ ล, ลจิตดวงที่เจดถึงแปดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนจิตที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลสหรตรด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยาน มีรูปเป็นอารมณ์สหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยาณมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะกุศลละมูลเป็นปัจใจสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจใจวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปั จ, จัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปั จ, จัยอายตนะที่หกจึงมี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 บรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นกุศลมูลเป็นไนกะุศลมูลคืออโลภะและอโทสะสภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลมูลเพราะกุศลลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไนะความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะกุศลลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า กองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้รูปาวจรกุศลละจิตสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพ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 สภาวะธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลละโมเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไฉนะความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อรู ป, ปาวจรกุศ ล, ลจิตสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉไร โยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอาคินัญญายานะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุตชานที่สหรกตรด้วยเนวสัญญานาสัญญายัชนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาจึงมี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 เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัญยาการเหล่านั้นกุศลมูลเป็นไนะกุศลมูลคืออโลภาอโทสะและอโมหะสภาวะธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลมูลในกุศลมูลนั้นเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไนะความจงใจกิริยาที่จงใจ ภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีและถึงนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไฉนความสำราญทางใจความสุขทางใจความสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส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 โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกขให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปถมฌานที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะกุศลมมลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาจึงมีเพราะวิญญาเป็นปัจจัยนามจึงมี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 สภาวะธรรมเหล่านี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัญยาการเหล่านั้นกุศลมูลเป็นไฉนกุศลมูลคืออโลภะอโทสะและอโมหะในกุศลมูลเหล่านั้นอโลภะอโทสะอะโมหะเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาติฐิธรรมวิจยะสมโพชงอันเป็นองค์มรนับหนึ่งในมร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 สังขารขันและวิญญาณขัน์นี้เรียกว่าเพราะอาทิโมเป็นปัจจัยพบจึงมีละถึงนี้เรียกว่าเพราะชาเป็นปัจจัยเจรามรณะจึงมีคำว่าสภาวะธรรมเหล่านี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นั้นได้แก่สภาวะเหล่านี้ไปร่วมมาร่วมประชุมร่วมปรากฏขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า สภาวะธรรมเหล่านี้มีอาการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้กูสละนิเทศจบสิบอ็พยากตะนิเทศอเหตุตุกะกูสวิปากจิตแ 1. ดหนึ่งจขวิญญาณจิต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 เพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้นีกางเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นสังขารเป็นช น, นความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าสังขาร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 เพราะเวทนาเป็นปัจจัยพบจึงม an. ีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ในสมัยนั้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่มีสังขารเป็นเหตุจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่มีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกที่มีนามเป็นเหตุจึงมีเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัย ผัสสะที่มีอายตนะที่หเป็นเหตุจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาที่มีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึง ม, มีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ในสมัยนั้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่สัมปยุจย์โดยสังขารจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่สัมปะยุทธ์ด้วยวิญญาณจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกที่สัมปะยุทธ์ด้วยนามจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะที่สัมปะยุทธ์ด้วยอายตนะที่หกจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาที่สัมปะยุทธ์ด้วยผัสสะจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาจึงมี เพราะชาเป็นป <elet> ัจจ high ัยชรามรณะจึงมีกองทุกขงมวนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ในสมัยนั้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีแม้เพราะนามเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีแม้เพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยนามจึงมี เพราะอายจนะที่หเป็นปัจใจผัสสะจึงมีแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยอายจนะที่หกจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจใจภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกลองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ สถึงหโซตะถึงกายวิญญาณจิตสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉนโซตะวิญญาณที่เป็นวิบากสหอระคด้วยอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นและถึงขานวิญญาณที่สหระคดด้วยอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นชิวหาวิญญาณที่สหอระคตด้วยอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุข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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกลงทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัญญาการเหล่านั้นสังขารเป็นไนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าสังขารและถึงนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยพัสสะจึงมี เพราะปัจจะเป็นปัจจัย เ, เวทนาจึงมีเป็นไนความสําราญทางกายความสุขทางกายความสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายแสัมผัสจิริยาสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายแสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะปัจจะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพจึงมีเป็นไนเว้นเวทนาแล้ว สัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยพบเจียงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ 6. สัมปติชนะจิต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 เพราะอธิโมกเป็นปัจใจพบจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมว น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ 8. อุเบกขาสันติรณะจิตสภาวะธรรมที่เป็นอพยกฤตเป็นไฉนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรโคตอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้น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 อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเป็นไนความตัดสินอารมณ์คุริยาที่ตัดสินอารมณ์ภาวะที่จิตตัดสินอารมณ์น้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยภพจึงมีเป็นไน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 กรมวจรวิบากจิต8สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิเป็นไฉมโนวิญ ญ, ญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรโคด้วยสมนัสสัมปยุทธ์ด้วยญาณละถึงสหรคตด้วยสมนัสสัมปยุทธ์ด้วยญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธจากญาณสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธจากญาณโดยมีเหตุชักจูง สหรฆด้วยอุเบกขาสำปยุทธ์ด้วยยานสหรฆด้วยอุเบกขาสำปรยุทธ์ด้วยยานโดยมีเหตุชักจูงสหรฆด้วยอุเบกขาวิปยุทธจากยานสหรฆด้วยอุเบกขาวิปยุทธจากยานมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงเพราะได้ทำได้สั่งสมการมาวจรกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้น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 เพราะอาธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีอาการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้รูปรวจรวิปากจิตสภาวะธรรมที่เป็นอัยยากฤตเป็นไฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงังเกจากกามบรรลุปถมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสะอวิเเคปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบรรลุปถมชาญที่มีปัถวีคสินเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมรูปาวจรกุศลกรรมอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมี เพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภาษาธะจึงมีเพราะภาษาธาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ อรูปราวจรวิปากจิตสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤษตเป็นไฉนะโยภาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอาขีัา ญ, ญาตนณะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุตตชฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายัตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะกข้าวล่วงอากินจัญญายาตนะได้โดยประการทั้งปวงเพราะละสุขและทุกข์ได้จึงบรรลุจัตุถชาตที่สหรคตรด้วยเนวสัญญานาสัญญายาตนะสัญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมอรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้โลกุตระวิปากจิตสภาวะธรรมที่เป็นอภยากลิตเป็นชนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุคให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกาม บรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเขปาก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกลามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตรกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใด